วันดี้ก็เราจะลองพูดเรื่องเรื่องกาบบาเพ็ญ บารมีเนะในในทางพุทธศาสนาการบำเพ็ญบารมีก็ถือว่าเป็นเป็นคำสั่งสอนที่ก็ครูบาอาจารย์ได้สอนกันมามากมายมีทั้งหลายๆอย่างในการบาเพ็ญบารมีเช่นพระพุทธเจ้าเองก็ท่านก็ว่าบาเพ็ญบารมีมา มานานมากสี่ อ, องค์ชายแสนมหากรุปกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะหลายๆคนก็บํบาเพณบารมีนะหลายๆอย่างนะพวกเราเองก็คงได้บํบาเพณบารมีหลายอย่างถึงได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าได้ออกบวชหรือว่าได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมพวเนี้ยนะหรือว่าการที่เราได้มีอัตภาพนะที่ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็นุ่องจากนะสิ่งที่เราได้ บําเพ็ญได้สะสมมาทั้งนั้นในจริงมันการบําเพ็ญบารมีนะนะมันก็มีสามระดับนะบารมีธรรมดานะหรือแล้วก็ขั้นที่สูงกึ้นปก็เรียกว่าอุปอุปบารมีนะบารมีที่ที่สูงยิ่งขึ้นนะหรือว่าที่ทํายากขึ้นนะและระดับที่สามเรียกว่าปารมาตตาบารมีนะ เป็นปบารมีที่เรียกว่าเพื่อให้เข้าถึงความเป็นปรมัตดหรือว่าความจริงเนี่หรือขั้นการหลุดพ้นการขั้นการพ้นจากจากโรคหรือพ้นจากสมมติเนี่ยเรียกว่าปรมัตดนนั้นมันก็มีสามสามระดับด้วยกันนะมันแล้วแต่ว่าเราจะบำเพ็ญเช่นไรนะบางทีจากพูทเเราเองก็บำเพ็ญบารมีส่วนใหญ่ก็จะอยู่เพียงแค่ขั้น ขั้นแรกนะขั้นต้นนะขั้นแรกการบังเพนบา ร, รมีถึงมุดเอาตัวอย่างง่ายๆเช่นการทําทานนะบังเพนทานนะ่ะให้ทานบริจาคเงินบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่ออะไรเพื่อหวังเพื่อหวังผลแห่งทานนะเช่นเขาบอกว่าถ้าเราทําทานนะบ่อยบอย่นะทําทานอย่างเป็นเสมอหรือว่าทําทานแล้วก็จะได้อานิสง์นะ่ก็คือ ถ้าเกิดชาติหน้าก็จะเป็นผู้ที่ไม่ยากจนไม่ขัดสนไม่ลําบากด้วยทรัพย์หรือว่าหรือว่าสิ่งของต่างๆ่างนะหรือว่าบาญชีก็คิดว่าถ้าได้ทําทานแล้วนะก็จะได้อานิสงส์ไปเกิดตายไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์นะเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาคนก็เลยทําทานด้วยการที่หวังหวังที่จะได้ผลตรงนี้นะ ก็ทำทานกั น, นกันยกใหญนะ่เพราะว่าอาศัยอานิสงอาศัยผลตอบแทนตัวเนี้ยเป็นคล้ายๆเป็นเครื่องดึงดูดใจนะถ้าจะพูดแบบภาษ า, าโลกโลกก็เหมือนคล้ายๆทำทาทานเป็นการลงทุนนะแต่อาจจะไม่ลงทุนในในชาตินี้นะแต่ลงลงทุนในชาติหน้าหรือว่าในภพภูมิต่อๆไปนะก็จะได้อานิสงตรงนั้น หรือบางคนรักษาศีลเขาบอกว่าศีลนนะถ้ารักษาดีแล้วก็จะทําให้วัต น, นะผ่องใสผิวพรรณเป็นปังรูปร่างสวยงามหรือหล่อเหลาต่างๆศนะีลบางคนก็รักษาเพราะว่าเช่นนั้นเพื่อหวังว่าจะได้มีรูปร่างหน้าตาที่ที่สวยงามที่ดึงดูดใจนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บารมีที่ คนทั่วๆไปมัมกมักรลเพรนกันหรือบางที่บางบางที่คนก็แนะนําบอกกันให้ให้ภาวนานะจะได้มีปัญญามากๆานะแต่ว่าบางทีก็ไปนเน้นว่านะเนี่ยพจะได้ฉลาดจะได้เรียนเก่งนะจะได้คล้ายคล้าอสมองดีนะนะถ้าภาวนามากๆก็จะเป็นเช่นนั้นที่จริงพวกนี้มันก็เป็นอานิสงส์แต่ แต่หลายคนก็ทำเพื่อหวังแค่อนิสงนะในขั้นต้นตอนนีนะ้ในบารมีทั้งสิบประการเนะี่ยขั้นต้นๆก็คือทำเพื่อคล้ายๆหวังอนิสงนะหรือว่าหวังผลตอบแทนในสิ่งที่ ท, ที่ทำหรือทำเหมือนคล้ายๆเป็นการลงทุนนะทาทางที่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะนะนะแล้วก็ได้สิ่งที่ดีตอบแทนขึ้นมาก็ดีกว่าไม่ทำนะนะ แต่ถ้าเราติดเพียงแค่บารมีในขั้นต้นเนี่ยมันก็เหมือนมันก็ได้อ น, นิสงฆ์แค่ทางโลกนะซึ่งจริงถ้าเราพิจรารณาดีๆีอ น, นิสงฆ์ทางโลกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เราพ้นจากความทุกข์จริงๆได้เลยนะเราพิจรารณาดีๆแม้จะเกิดมาแล้วก็ร่ำรวยไม่ขัดสนเกิดมาแล้วผิวพรรณผ่องใสรูปร่างดีนะ หรือเกิดมาแล้วสมองสติปัญญาดีในทางโลกแต่มันเป็นหลักป ร, ประกันที่จะทำให้เรามีความสุขทแท้จริงไหมเป็นหลักป ร, ประกันที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์มีปัญญาออกจากความทุกข์ได้จริงหรือเปล่าเราก็เห็นนะคนทางโลกที่ที่เขาร่ำรวยที่เขาสวยงามหล่อเราหรือว่ามีสมองดีก็ยังทุกข์นะ บางทีก็ทุกเพราะสมบัติที่ตัเองมีนั่นแหละนะบางทีก็ทุกเพราะว่าหน้าตาที่ต้องรักษานั่นแหละนะผิวพันธร์ที่ต้องดูแลนะบางทีก็ทุกเพราะว่าความฉลาด เ, าเหตุผลปัญญาต่างๆของตัวเองก็ก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะสี่งต่างๆพวกนี้ก็ดีแต่พิดารณาว่ามันไม่ใช่เป็นหลักรับประกันว่าจะทําให้ให้เราพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆนะ ดัง น, นั้นคนที่ที่เข้าใจในเรื่องของบารมีในขั้นต้นๆก็ถ้าทำเพื่อหวังแค่ผลตอบแทนนะมันก็มันก็ดีในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังยังไม่ใช่ดีถึงที่สุดเนะี่ยถ้าเราเข้าใจเพิ่มขึ้นมาอีกนะเนะี่เรียกว่าเป็นอุปบารมีที่ที่สูงขึ้นมานะเราทำเพื่ออะไรนะทำเพื่อว่านะอาจจะเรว่า ทำเพื่อมองเห็นประโยชนนะ์ประโยชน์ในการที่เราได้ทำนะเป็นหลักโดยไม่ได้ว่าหวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนนะเช่นเราทำทานนะเราทำทานเราทาบริจาคต่างๆเพราะว่าเช่นหวังจะให้พระคุณเจ้าพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีได้มีกำลังในการทำความเพียร หรือเราสร้างสิ่งของวัถตถุต่างๆเพราะว่าหวังว่าเช่นเสนาสนะนี้จะเป็นที่อยู่ของผู้มาประพฤติธรรมโบสถ์นี้จะเป็นที่ทางสำ ก, กรรมหรือว่าบวชนะภาพพิสูจน์ต่างๆนะหรือว่าทําบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆเพราะว่าเห็นคนยากจนเห็นคนไร้ อ, อากาศเห็นสัตว์ที่พิการหรือสัตว์ที่ลำบาก เราทำเพื่อหวังผลประโยชน์ตรงนั้นไปที่ตั้งนะไม่ใช่ว่าหวังว่าเราจะได้อะไรนะแต่เป็นการทำเพื่อเพราะว่าเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์เกื้อกูลต่อต่อบุคคลต่อสรรพสัตว์หรือว่าต่อเกื้อกูลต่อโลกนี้นะไม่กว่าจะเป็นการทำด้วยด้วยเมตตากรุณาก็ได้นะไม่ใช่ทำเพื่อหวังหวังสิ่งตอบแทนนะ ทำเพื่อหวังเพราะว่าเห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นประโยชน์แต่แต่จะกว้างใหญ่ขนาดไหนอันนั้นก็แล้วแต่นะนะเช่นบางทีเราทำทานกับพิสุที่เจาะจงเป็นบุคคลนะมันก็ได้อเนสงน้อยกว่าการที่ทำโดยเป็นสังฆทานนะเช่นเราทำทานเพราะว่านี่คื อ, อาญาติของเรานะที่มาบวช เราทําเพราะว่านี่คืออาจารย์ของเรานะทําเฉพาะเจาะจงลงไปนะก็ได้อานิสงส์น้อยกว่าการทําที่เป็นสังฆทานโดยที่ไม่เจอะจงนะไม่เจอดจงให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะนะบางทีก็ต้องมีเช่นนี้นะมันจะได้ทําให้การทําเช่นนี้นะก็นอกจากเราเห็นประโยชน์แล้วนะมันก็เป็นการที่เรียกว่าเป็นการฝึก ลดละตัวตนหรือว่าฝึกในการลดอุปท า, านนะในการยึดติดถือมั่นว่าอันนี้คือคือคนที่เราเขาเราเคารพเรารักเราอยากจะช่วยนะอันนี้จิตมันก็จะกว้างขึ้นมาอีกนะเพราะบางทีเราทําเพื่อเห็นประโยชน์นะต่อคนอื่นหรือสิ่งอื่นก็ดีนะนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเช่นที่จริงอย่างพ่อแม่เนี่ย ทำได้ทุกอย่างนะเพื่อลูกนะทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกสระดาษสิ่งต่างๆได้นะเพื่อลูกแต่มันก็แต่มันก็อาจจะแคบหรือจำกัดเป็นแค่ว่าลูกของเราเองเท่านั้นหรือว่าเราจะช่วยในวงของญาติของเราเท่านั้นนะแต่ถ้านอกเหนือนจากนั้นเราก็อาจจะไม่ช่วยอันนี้มันก็อันนี้ก็เป็นธรรมดาที่คนทั่วไปเขาก็คิดคิดเช่นนั้นหรือว่าทำเช่นนั้นนะ แต่ถ้าเราทำให้มันมากขึ้นนะมันก็จะได้อนันสมมากขึ้นหรือว่าถ้าเรารักษาศีล น, นะเพราะว่าเช่นเป็นอุปบารามีนะอาจจะได้ไม่ได้มองแค่ว่าเราจะได้ผลอะไรตอบแทนจากศีลที่เรารักษาแต่เราทำเพราะว่าไม่ไม่คิดจะเบียดเบียนนะคนอื่นนะก็คือการมีศีลก็คือการไม่เบียดเบียนเช่น ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ใช่เพราะว่าน่ะต้องการที่จะเป็นผู้ที่บริสุทธสวยงามทางกายภาพเท่านั้นนะแต่เพราะว่าเห็นว่าการเบียดเบียนคนอื่นก็คือการที่ไปภาดไปทําให้เขาทุกข์นะหรือว่าทําให้เขาตายเนี่ยก็คือทําให้เขาหมดอากาศในการที่จะพัฒนาตัวเองนะเราทาเพื่อเห็นว่าเ อ, อเนี้ย เราไม่เบียดเบียนเพราะว่าเพราะว่าก็อยากให้เขามีความสุขนะไม่อยากให้เขามีความทุกขนะ์เนี่ยแล้วก็เกื้อกูลเขาตรงนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรนะตอบแทนนะแต่ทําเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ที่เกื้อกูลนะซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นอุปบายนิมีที่ที่มันสูงขึ้นนะที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะ หรือเอาตัวอย่างเช่นเราออกบวชแบบนี้นนะเราออกบวชเป็นเนค้อมรบารมีบางคนก็บวชชั่วคราวเช่นนะพอออกไม่ออกเนาะมาถือศีลแฝดอยู่ในวัดในในวันพระหรือว่ามาเข้าปฏิบัติธรรมเป็นคอร์สก็ถือศีลอยู่วัดปฏิบัติธรรมชั่วคราวก็เหมือนกับใช้ทดลองออกจากเรือนนะหรือพระเรา นะแม่ชีบางคนก็ถือว่าโอกาสเหมือนทดลองบวชชั่วคราวนยะบวชช่วงระยะสั้นๆ น, นะเพราะว่าอะไรก็ก็ดีนะก็คือเห็นอานิสงของการบวชนะคิดว่าบวชแล้วก็จะได้ลองฝึกดูนะฝึกตนดูในรูปแบบของนักบวชนะก็จะได้ขัดเกลาหลายๆอย่างของตัวเองดูนะมันก็ดีเหมือนกันนะนะถือว่าเหมือนคล้ายๆได้มาทดลองทําสิ่งที่ดีนะ ทดลองสิ่งที่ทำได้ยากนะหรือว่าทดลองนะใช้ชีวิตที่ที่ไม่เคยชินบ้างนะอันนี้เป็นการเหมือนคล้ายเหมือนทดลองนะก็เหมือนเป็นฝึกบารมีอย่างหนึง่งนะทําในสิ่งที่ไม่เคยทําหรือว่าทําได้ยากมันก็เป็นการเช่นการบวชนะี่ก็ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากแล้วก็ได้มาทดลองทํำดูก็เหมือนเป็นการบําเพ็ญบารมีนะเนคขมัติบารมีแต่ถ้า อุป ป, ปาละมีคืออะไรเช่ น, นเราออกบวชเพราะว่าเห็นว่าวิธีของการบวชเนี่ยเป็นวิธีแห่งการเกื้อกูลสัพพสัตว์ได้ได้เยอะกว่าคือเราคือเราอาจจะมองข้ามอา น, นิสส์ของที่จะได้จากตัวเองลวแต่จริงมันเออเราออกบวชนะก็ทำให้ญาติพี่น้องคนที่เขา รู้จักเราเขาก็มีศรัทธาได้มาทําบุญทําทานได้มาเข้าเข้าใกล้พุทธศาสนามากขึ้นอย่างเช่นที่เราบอกว่าเราบวชแล้วก็เหมือนพ่อแม่ได้เกาะชายพระเลืองขึ้นสวรรค์อะไรแบบนีน้ก็เป็นการเกื้อกูลเกื้อกูลคนที่เรารู้จักหรือที่จริงถ้าจะเกื้อกูลมากกว่า น, นั้นก็เหมือนคล้ายๆเป็นการดํารงสืบทอดพระพุทธศาสนานบะางคนคิดแบบว่า บวชแล้วแบบหวังเอาศาสนาเป็นที่พึ่งนะหวังให้วัดให้ครูบาอาจารย์ให้ใครมาคอยช่วยเหลือเราเนะี่ยบางคนไปคิดเช่นนั้นนะซึ่งมันก็ดีนะ อ, อาศัยที่พึ่งที่ประเสริฐที่ดี ก, ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราฝึกเป็นอุปเรียกว่าเป็นอุป ป, ปารามนะีปาลามีที่สูงขึ้นไปเราก็มันจะคิดต่างนะมันจะคิดว่าเราบวชแล้ว เราจะคล้ายๆเราจะช่วยศาสนาได้อย่างไรเราจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรเราจะเป็นที่พึ่งให้กับศาสนาได้อย่างไรไม่ใช่คิดแต่ว่าวัดจะช่วยเราได้อย่างไรบ้างครูบาอาจารย์จะช่วยเราได้อย่างไรบ้างคนนั้นคนนี้จะช่วยเราได้อย่างไรบ้างแต่ถ้ามันเป็นบารมีที่สูงขึ้นนะมันจะคิดว่าเราจะช่วยวัดอย่างไรเราจะช่วยครูบาอาจารย์อย่างไรเราจะช่วยพุทธศาสนกอย่างไรนะมันก็ พอเร า, อาคิดเช่นนี้นะมันจิตใจของเรามันก็จะจะคล้ายๆมันความความที่อยากจะได้มันก็น้อยลง <c oughs> เพราะว่าเรามีจิตที่คิดจะให้มากกว่า <c oughs> การบวชมันก็เหมือนคล้ายๆอ้อเราก็จะได้มาระลึกว่าถ้าเรามีธรรมที่สูงขึ้นเราก็จะช่วยเกื้อกูลสรรพสัตว์ได้มากขึ้นนะหรือเรามีคุณธรรมที่ มากขึ้นนะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อศาสนามากขึ้นอประมาณนี้นะมันก็มันก็นกลับไปกลับมาของมันนะในะอุปบารมีก็เป็นบรารมีที่ที่สูงขึ้นหรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นบรารมีที่ที่มองซึ่งประโยชน์นะมองประโยชน์ในในสิ่งที่เราทำเป็นหลักนะแต่บรารมีขั้นต้นเนี่ยเหมือนคล้ายคมองประโยชน์ที่เราจะได้รับหรือว่าอันนี้ส่งที่จะได้รับนะ ถ้าเป็นอุปปารมีเนี่ยเรามองว่ามันมีประโยชน์อะไรนะเราทําแล้วมันมันได้ประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นนะรวมทั้งเกื้อกูลต่อเราอย่างไรในแง่ของการที่ที่ได้บําเพนต้นนั้นด้วยนะมันก็ได้ทั้งสองส่วนได้ทั้งประโยชน์เกื้อกูลต่อตัอตวเราเองประโยชน์เกื้อกูลต่อคนอื่นหรือสิ่งอื่นด้วยอันนี้ก็จะทําได้ยากขึ้นยิ่งถ้าถ้าทําแบบเนึกว่า ไม่จํากัดขอบเขตว่านี่คือคนที่เรารักเท่านั้นหรือว่าคนที่เรารู้จักเท่านั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งยิ่งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทําทานก็ดีนะอย่างที่ยกตัวอย่างนะทานที่เป็นบุคคลิกทานทานกับบุคคลเจาะจงลงไปหรือทานแก่สังฆทานนะต่อสงฆ์ตัวทีจริงก็ทานต่อส่วนรวมมาเป็นตระมีต่อส่วนรวมนี่ก็เป็นบารมีที่สูงขึ้น แต่อีกขั้นหนึ่งที่สูงขึ้นที่สุดก็คือเรียกว่าปรามัตถปารามีจะเรียกว่าเป็นบารามีสู่การเข้าถึงปรมัตต์ก็คือความจริงแท้สูงสุดนะหรือว่าเป็นบารามีที่เรียกว่าพ้นจากโลกก็ได้นะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สาคัญนะอย่างเช่นเราก็เคยอาจจะเคยได้ยินเนาะอย่างพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพพุทธเจ้าท่านก็เคยเป็นอย่าง พระเวสสันดรชาดกนะสละทานได้แม้กระทั่งเรียกว่าออกเป็นเป็นราชโอรสนะสละนะทรัพย์สินสมบัตินะออกจากพระราชวังมาอยู่ป่าชูโชกก็มาขอขอกันหาชาลีข อ, อภรรยานะไปเป็นเรียกว่าไปเป็นภรรยาไปเป็นทาสรับใช้นะ พระเวสสันดรก็ก็สระตรงนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นการสระที่เป็นตัววัตถุอิงจริ ง, รงหรือว่าบางทีอาจจะเป็นบกคคาทิตฐานก็ได้ที่จะทำไงซึ่งมันเหมือนคล้ายเป็นการทานการยึดติดหรือว่าการถือมัน่นทานสิ่งที่เรารักเราห่วงแหนนะเช่นคนมีบุมีภรรยามีสามีเนี่ยมันก็ ย่อมห่วงแหนเนาะรักในสิ่งที่ที่มันใกล้ิดนะที่เรารักใคร่มันก็ยากที่จะสละออกไปเราเอาจจะสละได้ในสิ่งที่มันเกินความต้องการของเราเรามีมากแล้วอันนี้ก็สละง่ายนะหรือสละอ่าสละบางอย่างที่เราเราไม่ไม่เดือดร้อนนะหรือเราไม่ได้รักห่วงแหนมากมันก็สละง่ายแต่ถ้าสละสิ่งที่เรา เรารักมากเราห่วงแหนมากนะเรายึดติดมากเนี่ยมันก็ยากที่ที่คนจะสละได้นะอย่างพระเวสสนาองเองท่านก็สละตรงนี้นะซึ่งที่จริงพอสละแล้วในชาติปัจจุบันนะท่านเป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็บารมีตอนนี้มันก็ช่วยนะอย่างเช่นพอท่านเห็นนะเห็นลูกคลอดออกมาเอา้าเห็นแล้วนะ บางคนคิดว่าท่านาคล้ายแค่เห็นว่าดาหุ่นเป็นห่วงที่ทำให้ท่านมีความทุกข์มีความลำบากนะหรือว่า้องเป็นห่วงในการผูกพันกันเท่านั้นแต่จริงถ้าคิดอย่างพระพุทธเจ้าถ้าคงไม่คิดแค่แค่ว่าท่านจะลำบากเท่านั้นหรอกแต่จริงท่านคิดว่าดาหุ่นเองก็ลำบากนะพิมพาเองก็ลำบากนะเพราะว่าอะไรเพราะาสมบัติที่มีอยู่ในโลกเนี่ย มันไม่ใช่เป็นเครื่องช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์จริงๆที่จริงท่านตั้งใจที่จะหาเครื่องที่จะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์จริงๆหรือเข้าถึงความสุขจริงๆนั่นแหะมันเป็นสิ่งที่ที่โพธิสัตว์ท่านท่านคิดท่านปรารถนาท่านไม่ใช่เพียงว่าเพราะความลําบากของตัวเองก็เลยหนีออกบวชคนเดียวหลักนะแต่จริงท่านมองเห็นว่าสิ่งที่จะเกื้อกูลโลกนี้นะที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูล ในการพ้นจากความทุกข์จริงๆนะมันคืออะไรนะมันก็ทำให้สระได้สระลูกสระมียสระทัาสมบัดได้เพื่ออะไรเพราะว่าเห็นว่าบารมัทธาบารมีคืออะไรก็คือบารมีที่มันพ้นจากความทุกข์พ้นจากวัตจรสงสารจริงๆนั่นแหละคือสิ่งที่เพื่อกุณประโยชน์ได้จริงๆนะเหมือนบารมีทั้งสองส่วนมันก็ยังยังเป็นบารมีในใ น, ในทางโลกอยู่นะ แต่บารมีในทางที่สูงสุดปรมัตถบารมีเหมือนเป็นบารมีที่เรียกว่าพ้นจากโลกเลยเช่นพระพุทองค์ออกบวชนะสละนะทรับสินสมบัติสระลูกเมียจากกบินภพได้แล้วนะบางบทีก็ยังมีบททดสอบนะเช่นพอไปบวชแล้วไปอยู่ราชคฤห์นะพระเจ้าพิมพิสารเห็นนะโอ้พระที่สุดรูปนี้งดงามนะ ดูมีสง่าราศีดูมีปัญญาดีเจ้าพิมิสานเอ่ยปากเลยนะนีท่านสละเพศบรรบชิตมามาครองราชสมบัติกับเราเลยเราจะแบ่งทรัพย์สินแบ่งที่ดินให้ครึ่งหนึ่งจะเอาไหมเนะียพระเจ้าท่านเคยบำเพ็ญบา ร, รมีในการสละตั้งแต่นู้นเป็นพระเวสสันดร น, นะสดะราชสมบัติสระลูกสระเมียรหรือแม้แต่ กรก บ, บินภัทรก็สละมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารอาจจะให้มากกว่าได้คำแต่ที่เคยบำเพ็ญมาละบีมามันก็ทำให้สละได้ง่ายก็ปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อในยนะก็ไม่ต้องคิดมากอะไรนะมันก็เนี่ยเป็นเพราะว่าสะสมมาแต่ถ้าคนทั่วไปที่สะสมไม่ถึงโอ้ก็วันไวใช่ไหมเอออำนาจก็มีมากทรัพย์สินก็มีมากบริวารก็มีมาก สบายดีทางโลกอ่ะนะเอี่ก็เอาเลยนะเป็นนัก บ, บวชก็ลำบากนะเป็นพระราชาดีกว่ามีทรัพย์สินเงินทอง ม, มากมายแต่พระจองค์ท่านบำเพ็ญบารมีมามากแล้วก็ทำให้ตลาดตรงนั้นไดนะ้แต่จริงก็อย่างที่ว่ามันมันเป็นบารมีเพื่อเพื่อถึงความพ้นจากความทุกข์จริงๆนะท่านมองเห็นนะประโยชน์อะไรที่จะเกื้อกูลที่ ที่จะพ้นจากความทุกข์จริงๆนะมันเป็นบา ร, รมีเพื่อเพื่อละอุปทานการยึดมั่นถือมั่นในะในสิ่งที่เรารักเราห่วงแหนเรายึดติดนี่แหละมันเป็นขั้นเรียกว่าปรามัตถปา ร, รมีนะหรืออย่างที่เราได้อ่านหรือได้ดูนะหบอกพอท่านจะกำลังนั่งบําเพ็ญบา ร, รมีหรือว่านั่งอยู่ใต้ต้นโพนะก็มี พยามาลเตนามานะท่ดามาต่างๆมายั่วยวนมาหลอกล่อมาทำสงครามนะเพื่อจะเรียกว่าทำให้ท่านไม่สามารถพ้นจากอำนาจของมารได้นะก็มายั่วยวนสารพัดนะถ้าท่านไม่เคยบำเพ็ญบารมีมาจะเป็นแบบไหนเจอที่ดามามายั่วยวนก็เห็นความสวยความงามเกิดการมาราคะขึ้นไปก็อาจจะ เรียกว่าลุกจากราชบัลลังก์นั้นหรือพยายามมาม า, มาตู่ว่าบัลลังก์นี้เป็นบัลลังก์ของของมาร น, นะไม่ใช่เป็นบัลลังก์ของท่านเพราะพระองค์ท่านเชื่อในในสิ่งที่ท่านบําเพ็ญมานะให้ให้พระแม่อธรณีเป็นพยานว่าอันนี้คือบัลลังก์ของเราบารมีทั้งสามสิบนะประการที่บําเพ็ญมาเนี่ยมารวมกันใน เพื่อตัดสู้เลยนะทุกอย่างเนี่ยเราจะทําแบบไหนน ะ, ะบาลามีเราจึงจะเป็นขั้นที่เรียกว่าปรมัทถบาลมีจริงๆนะแม้แต่เรื่องการรักษาศีลก็เหมือนกันนะทําไงถึงมันถึงจะเป็นการรักษาที่เรียกว่ารักษาให้ถึงใจเลยก็ได้นะเอนะใจมันไม่ได้คิดที่จะเบียดเบียนแล้วมันก็ทําไปโดยเป็นธรรมชาติเป็นปกตินะธรรมดา นี่คือบารมีที่ที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันจะเป็นขั้นที่เรียกว่าพาพาตัวเราเนะี่พ้นจากความทุกข์นะละอัตตาลตัวตนละอุปทานต่างๆแล้วก็เป็นการเกื้อกูลคนอื่นให้ให้พ้นจากความทุกข์นะไม่ใช่เพียงแค่ยังประโยชน์ทางโลกให้กับเขาเท่านั้นแต่จริงยังประโยชน์ให้เขาเข้าถึงธรรมที่มันพ้นจากความทุกข์ด้วยเนะี่ยอันนี้คือ คือบารมีทั้งทั้งเรียกว่าสามสิบประการก็ได้นะหรือว่าเป็นบารมีในในสามระดับเนะทางในขั้นต้นใคสรุปย่อๆก็เรียกว่าเป็นบารมีเพื่อเพื่อให้ได้ผลทางโลกนะนะ่ได้ผลทางโลกนะหรือว่าทาเพื่อหวังผลตอบแทนนะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันก็ควรที่จะทำนะแต่ก็เป็นขั้นต้นหรือว่าขั้นหยับ หรืออย่างที่สองเรียกว่าเป็นอุปปาระมีนะเป็นบารมีเพื่อทําเพื่อยังประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะหรือว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์เพื่อกลูนนะแล้วก็ทําที่มันยากขึ้นนะนะทํายากขึ้นทําลําบากขึ้นนะมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเออได้ประโยชน์ทั้งตนเองแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งผู้อื่นด้วยแล้วก็เป็นการกระ ท, ทําที่ที่ลําบากมากขึ้น แต่ปรมีอย่างที่สามนี่ว่าปรมัตถปารมีเนี่ยเป็นปรมีที่เรียกว่าทําให้พ้นจากโรคนะให้เข้าถึงปรมัตเข้าถึงความจริงนะทั้งตัวของเราเองก็เข้าถึงความจริงพ้นจากพ้นจากวัฏสงสารรวมทั้งช่วยคนอื่นก็เป็นการช่วยให้เข้าถึงความจริงจริงๆนะไม่ใช่แค่เวียนว่ายอยู่ในโลกนี้ อย่างเอาง่ายๆเช่นสมมติเราเป็นพระเราเป็นแม่ชีเราเป็นผู้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมเวลาเราเราอาจจะมีโอกาสได้พูดธรรมะหรือแนะนำธรรมะสนทนาธรรมกับหลายๆคนเนะีบางทีเราจะเราจะบอกเขาในขั้นไหนนะบอกขั้นในการแค่ได้มีความสุขเกี่ยวกับโรคนี้นะหรือว่าได้มีบารมี ที่จะทำให้สุขสบายขึ้นหรือว่าเราจะแนะนำสั่งถอนเขาให้เข า, าเรียกว่าคิดถึงคนอื่นนะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้างเกื้อกูลประโยชน์กับคนอื่นบ้างหรืออีส่วนหนึ่งถ้าทำได้ก็เรียกว่าทำไงเขาถึงจะพ้นจากความทุกขนะ์มีปัญญานะในการเห็นอริยสัจสนะีพ้นจากวัฏฏสงสารตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ที่เราก็สามารถเลือกทำในใ น, ในหลายระดับได้แต่ก็อย่างว่านะแต่ละคนแต่ละบุคคลรวมทั้งสรรพสัต์ได้บางทีก็อาจจะบำเพ็นบารมีก่อนหน้านี้นะมันก็แตกต่างกันกันมาทำให้ปัญญาในการที่จะจะจะเข้าใจตัว น, นี้นะมันก็มันก็แตกต่างกันหรือว่านะ บางคนก็เห็นแค่อ น, นิสง์ในบางระดับแตกต่างกันบางคนก็เห็นแค่อ น, นิสงท์ทางโลกนะก็ทําทําความดีบําเพ็ญบารมีก็แค่หวังทางโลกนะหวังแค่นั้นไม่ได้หวังเพื่อความพ้นจากความทุกข์หรือบางคนก็ทําเพียงแค่ทําประโยชน์แก่บริวารพวกพ้องญาติมิตรในเองเท่านั้นก็ไม่ได้เกื้อกูลต่อคนที่กว้างขึ้นนะหรือบางคนก็ไม่ได้คิดถึงขั้นการพ้นจากความทุกข์เลย แต่บางคนก็มีมีบา ร, รมีที่สะสมมาก็ทางโลกก็ไม่ได้หวังไม่ได้หวังยินดียินไลกับสักสินสมบัติเชื่อสิ่งเกียรติยศทางโลกแล้วก็ละได้ง่ายนะการทําประโยชน์ต่อผู้อื่นก็ทําิ่งง่ายก็เคยทํามามากนะการสะระการเครือกูลเพื่งการและการทางนะให้เขาได้มีความสุขนะไม่คิดหวังผลตอบแทนจากเขาหลายคนก็ทําได้ง่ายนะ หรือหลายคนเคยบำเพ็ญบารมีในขั้นจะพ้นจากความทุกข์นะการสะระความเห็นแก่ตัวการลดอัตราตัวตนการสะระการยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆก็เป็นสิ่งที่ที่อยากจะฝึกหรือว่าอยากจะทำหรือว่าพยายามทำให้เพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งนั้น น, ะ น, นั้นก็เป็นสิ่งที่ที่พวกเราในแต่ละคนอาจจะ อาจจะสะสมแตกต่างกันมาเนาะแต่ก็อยากจะให้เข้าใจว่าบา ร, รมีในทางพุทธศาสนามันมีมีสามระดับตรงนี้นะที่เราบางเป็นบา ร, รมีในชาตินี้ก็ก็อยากให้เป็นไปนะทั้งอาจจะทั้งสามระดับนั่นแหละแต่ก็ก็อยามให้มีเป้าหมายสูงสุดคือระดับที่พ้นจากจากวัฏสงสารพ้นจากความทุกข์นะ พราะว่าหนึ่งเราก็จะได้พ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงสองมันก็จะเป็นการเกื้อกูลกับคนอื่นหรือว่าสรรพสัตว์ต่างๆเขาให้เขาได้พ้นจากความทุกข์เช่นกันนะไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีความสุขความสบายในทางโลกแต่มันก็ยังไม่ใช่ที่จะพ้นจากวัตฏสงสารจริงๆนะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าพวกเราได้กระทำเนาะมันก็จะเกิดความเกิดความเข้าใจนะ ในสิ่งที่เรากระทาแล้วก็เกิดการวางใจนะการวางใจที่ถูกเนะี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะที่จริงถ้าเราวางใจถูกเนะี่ยที่จริงมาทําอาจจะทําเหมือนกันนะี่แหละนะแต่แต่การวางใจที่แตกต่างกันนี่แหละมันจะทําให้มันเราจะได้อนิสง์แตกต่างกันนะเช่นเราทําทานเหมือนกันนี่แหละนะถวายวัตถุสิ่งของเหมือนกันแต่บางคนทําแล้วก็วางแค่อนิสง์ นะในผลของทานแต่บางคนก็ทำเหมือนกันทำเพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่แก่พระแก่คนที่ยากไรนะ้แต่บางคนทำเพราะว่าเออทำเพราะว่าสระความตนีทยทีนี้วสระความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจของเราเองสนละาากิเลสออกไปจากจิตใจของเราเองอจะทำทานเหมือนกันแต่พอวางใจแตกต่างกันเนี่ยอา น, นิสงส์ที่ได้ก็แตกต่างกัน การบวชก็เหมือนกันนะบวชเหมือนกันนี่แหละนะแต่บางคนก็บวชนะเพื่อเป็นพิธีนะบวชเพราะว่าเห็นว่าเป็นเขาว่ามันดีก็อยากจะมาลองดูบ้างแต่บางคนบวชเพราะเออเห็นว่ามันเป็นทุกชีวิตคาราว่าชีวิตทางโลกมนะันเป็นทุกนะเห็นว่าชีวิตการบวชเนี่ยมันมีมันมีอนิสงหรือว่ามีประโยชน์มากกว่านยะก็ออกมาบวช หรือบางคนนะบวชในทางใจเลยนะอบวชทั้งกายบวชทั้งใจนะหลือบางคนอาจจะไม่มีโอกาศได้บวชทางกายก็ถือว่าบวชทางใจนะในการประพฤติผมประจ์นนะจริงๆนะก็คือมีชีวิตที่ประเสริฐจริงๆอันนี้ยก็เป็นขั้นที่สูงขึ้นไปอีกอันนี้ยมันก็มีอันนี้ส์แตกต่างกันไปจะเรียกว่า เป็นป ร, ม, ปรมัตถ์ปารมีจะเรียกว่าเป็นบาลมีในทางใจเลยก็ได้นะมันมันไปมันไปสู่ที่ใจโดยตรงเลยใจที่บ่อยสุดใจที่นะเรียกว่าสละนะสระกิเลสสระตัณหาสระตัวตนสละอุปทานต่า ง, างๆมันไปถึงใจโดยตรงเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เนาะอยากจะฝากนะให้พวกเราได้พิจารณานะ ให้ทบทวนดูนะสิ่งที่ผมพูดอาจจะเป็นแค่ระดับความเข้าใจระดับปัญญาของของเราเองนะมาถึงว่าก็ก็ให้ท่านได้ใช้โยนิสโมัติการในการพิจารณาในการไต่ตองแล้วก็หรือว่าต่อยอดในในสิ่งที่ที่ได้ฟังตอนนี้นะก็เพื่อจะได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตัวเราเองประโยชน์เกื้อกูลต่อต่อสรรพสัตว์ต่างๆ แล้วก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลในการที่จะได้พ้นจากวัตฏสงสารกันทุกคนทุกท่านเนาะ